พระไตรปิฎกเล่มที่สิบพระสูตรที่8ปสักกะปัญหาสูตรว่าด้วยปัญหาของเท้าสักกะหรือพระอินสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในถ้ำอินทศาละที่ภูเขาเวทียกะทางทิศเหนือของหมู่บ้านพราหม์ชื่ออัมพสันซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกแห่งกรุงราชครว้นมคต เวลานั้นเท้าสักกะจอมเทพทรงเกิดความขวนขวายเพื่อจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคทรงชวนปัญจาศิขะคันธันผบุตรและพวกเทพชั้นดาวดึงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคสมัยนั้นปัญจาศิขะคันธันผบุตรถือพินสีเหลืองดังผลมะตูมตามเสด็จเท้าสักกะจอมเทพมาด้วยปัญจาศิขะคันธันบุตร เป็นเทพบุตรองค์หนึ่งในโูคนทันซึ่งเป็นบริวารของท้าวทัตรถมหาราชและเป็นผู้รับใช้พระทศพลสามารถเข้าเฝ้าทูลถามปัญหาขอสับพระธรร ม, มเทศนาได้ทุกขณะที่ต้องการท้าวสักกะจอมเทพจึงชวนท่านไปพร้อมกันเพื่อจะได้ทูลขอวโรกาสกับพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามปัญหาต่อไป ต่อมาเท้าสักกะจอมเทพพร้อมเหล่าเทพได้ทรงหายตัวจากชั้นดาวดึงไปปรากฏอยู่ที่ภูเขาเวทีย ก, กัด้วยเทวานุภาพของเหล่าเทพทำให้ภูเขาเวทียกักเกิดสว่างสวยยิ่งนักชาวบ้านใกล้เรือนเคียงรอบๆได้เห็นต่างพากันสงสัยตกใจขนพองสยองกล้าวลำดับนั้นเท้าสักกะจอมเทพรับสั่งเรียกบรญจาศิขะคันธนผุด มาตรัสว่าปัญจสิกขาตถาคตทรงเข้าฌานทรงพอพระทัยในฌานระหว่างที่พระองค์ประทับหลีกเร้นอยู่คนเช่นเรายากที่จะเข้าไปเฝ้าได้ทางที่ดีเธอควรทำให้พระองค์ทรงพอพระทัยก่อนหลังจากนั้นพวกเราจึงควรเข้าไปเฝ้าเข้าฌานหมายถึงการเพ่งพินิษด้วยจิตที่เป็นสมาธิแน่วแน่ ในที่นี้มุ่งถึงฌานสองคือ 1. อาอรัมมนูปนิชฌานการเพ่งอารมณ์ได้แก่สมาบัติ8คือรูปฌานสี่และอรูปฌานสี่สลัคนูปนิชฌานการเพ่งลักษณะได้แก่วิปัสนามรรคและผลปัญจสิก ข, ขาคันธันผบุตรทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจึงถือพินสีเหลือง เข้าไปจนถึงถ้ำอินทสาระแล้วได้ยืนอยู่หน้าที่สมควรคเนดูว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ไม่ไกลไม่ใกล้นักจากเราและทรงได้ยินเสียงของเราจากนั้นปัญจสิกขะได้บร็นเลงพินและกล่าวคาถาอันเกี่ยวเนื่องด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกี่ยวเนื่องด้วยพระอรหันต์และเกี่ยวเนื่องด้วยกามเหล่านี้ว่าแม้พัฒาสุริยะ วัชสาซึ่งเป็นเทพธิดาผู้มีสิริโฉมงดงามฉันขอกราบท่านติมพรุบิดาของเธอโดยเหตุที่เธอเกิดมางดงามท้าห้ฉันปลื้มใจเหมือนสายลมย่อมเป็นที่ปรารถนาของผู้มีเหงือ่อหรือเหมือนน้ําเป็นที่ปรารถนาของผู้กระหายเธอผู้ไฉไลเป็นที่รักของฉันหยุดธรรมะเป็นที่รักของพระอระหันต์เธอจงช่วยดับความเร่าร้อน ในที่นี้ความเร่าร้อนเพราะไฟคือราคะเธอจงช่วยดับความเร่าร้อนเหมือนช่วยวางยาคนไข้ผู้ประสาบกระสายเหมือนให้อาหารแก่ผู้หิวหรือเหมือนใช้น้ําดับไฟที่กําลังลุกอยู่ขอให้ฉันได้ซบลงจดฐันและอุทธรของเธอเหมือนช้างที่ร้อนจัดในกราวร้อนอย่างลงสู่สระโบกกรณีมีน้ําเย็นและคนด้วยละอองเกรสรดอกปฐุม ฉันมึนงงเราะเห็นช่วงขาที่งามสมส่วนไม่รับรู้เหตุการณ์อะไรอะไรเหมือนช้างเหลือขอเพราะถือว่าเราชนะได้แล้วหมายถึงไม่อยู่ในอำนาจของแหลนและหอกซัตดฉันมีใจจดจอ่อที่เธอไม่อาจกลับใจที่แปรพันไปเหมือนปลาที่กลืนเบ็ดเข้าไปนางผู้เจริญเธอจงเอาขาซ้ายกระวัดฉันไว้ เธอผู้มีดวงตาหยาดเยิมจงประวัติฉันไว้เถิดเธอผู้งดงามจงสวมกอดฉันไว้สิ่งนี้คือสิ่งที่ฉันปรารถนายิ่งนักความใคร่ของฉันต่อเธอผู้มีผมงามสลวยถึงมีน้อยก็เกิดผลมากเหมือนทักษิณาที่ถวายแด่พระอรหันต์นางผู้งดงามทั่วสรรพางบุญที่ฉันได้ทำไว้ในพระอรหันต์ผู้คงที่นั้นจงอานวยผลแก่ชันพร้อมกับเธอ นางผู้งดงามทั่วสันพางบุญที่ฉันได้ทำไว้ในปัตตภีมณฑนนี้จงอํำนวยผลแก่ฉันพร้อมกับเธอแม่สุริยวัชสาฉันใฝ่ฝันหาเธอเหมือนพระสมณะสากยะบุตรผู้ทรงเข้าฌานอยู่ผู้เดียวผู้มีปัญญาครองตนมีสติเป็นมุนีสแสวงหาอามตะธรรมแม่คุณคนงามถ้าฉันได้อยู่ร่วมกับเธอก็จะพึงชื่นชม เหมือนพระมุนีบรรลุพระสัมโพธิญาณอันสูงสุดพึงชื่นชมฉันนั้นหากเท้าสักกะผู้เป็นใหญ่แห่งดาวดึงจะประทานพรแก่ฉันฉันก็จะต้องเลือกเอาเธอเป็นแน่ความปรารถนาของฉันมั่นคงอยู่อย่างนี้แม่คุณผู้เฉลียวฉลาดฉันขอน้อมไหวบิดาของเธอผู้มีทิดา ง, งามเช่นนี้ดุจต้นสาละที่ผลิดอกใหม่ๆฉันนั้น เมื่อปัญจสิกขคันตันผบุตรกราบทูลอย่างนี้พระผู้มีพระภาคทรงชื่นชมว่าเสียงขับร้องสอดคล้องพอดีกับเสียงพินตรัสถามว่าประพันธ์ไว้เมื่อไรปัญจสิกขาคันธันผบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ประพันธ์คาถาเหล่านี้ไว้เมื่อสมัยที่พระผู้มีพระภาคแปรตรัสสรู้ประทับอยู่ใต้ต้นอชาปาระนิโครธริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาสมัยนั้นข้าพระองค์หลงรักพัฒนาสุริยวัชสาทิดาของเท้าติมพรุข ค, คันธันพราตจะนางรักผู้อื่นคือหลงรักสิกขันทีบุตรของมาตาลีสังฆาหกกะเทพบุตรเมื่อข้าพระองค์ไม่ได้นางด้วยวิธีหนึ่งจึงถือเอาพินสีเหลืองดังผลมะตูมเข้าไปยังนิเวศ ข, ของเท้าติมพรุ ค, คันธพราตแล้วบรรเลงพินขึ้นกล่าวคาถานี้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้นางพัฒนาสุริยวัชสากล่าวตอบว่าท่านผูนิรุตุขฉันไม่เคยเห็นพระผู้มีพระภาคในที่เฉพาะพระพักเป็นแต่เคยได้ยินเมื่อเข้าไปฟ้อนในสุธรรมมาเทวสภาของเหล่าเทพฉันดาวดึงเท่านั้นเนื่องจากท่านได้กล่าวสรรเสริญพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นได้ก็จงมาสมาคมกับพวกเราณบัดนี้ ข้าพระองค์จึงได้ร่วมสมาคมกับนางและไม่ใช่ครั้งนี้เท่านั้นหลังจากนั้นมาข้าพระองค์ก็ได้สมาคมกันอีกลำดับนั้นเมื่อเท้าสักกะจอมเทพทรงเห็นว่าพระผู้มีพระภาคทรงปราศัยกับปัจจัสิกขาแล้วจึงรับสั่งเรียกปัจจสิกขาทูลขอให้พระองค์และเหล่าเทวดาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคทรงประทานพร ชาวสักกะพร้อมพวกเทพชั้นดาวดึงจึงเข้าไปในถ้ำอินทสาระนั้นถวายอภิวาตแล้วยืนอยู่ณที่สมควรเวลานั้นถ้ำอินทสาระซึ่งมีพื้นไม่สม่ำเสมอก็สม่ำเสมอที่คับแคบก็กลับกว้างขวางความมืดในถ้ำหายไปเกิดความสว่างขึ้นเพราะเทวานุภาพของเหล่าเทพ ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัส ก, กับเท้าสักกะจอมเทพดังนี้ว่านี้เป็นเหตุหน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏที่เท้าโกสีมีกิจมากซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของเท้าสักกะไม่เคยปรากฏที่เท้าโกสีมีกิจมากมีหน้าที่ที่จะต้องทําอีกมากเสด็จมาถึงที่นี่ได้เท้าสักกะจอมเทพกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ปรารถนาจะมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคตั้งนานแล้วแต่มัวสารวนด้วยกิจหน้าที่ของพวกเทพชั้นดาวดึงจึงไม่สามารถมาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้ครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่สาราคารเขตกรุงสาวัตถีข้าพระองค์ได้ไปยังกรุงสาวัตถีเพื่อจะเฝ้าพระองค์แต่ขณะนั้นพระองค์ประทับเข้าสมาธิอยู่ มีนางปริจาริกาของท้าวเวสวรรณมหาราชชื่อว่าพุชคีคอยอุปถากนางยืนประนมมือถวายนมัสการอยู่ข้าพระองค์กล่าวกับนางว่าน้องหญิงเธอจงถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคตามคําของเราว่าท้าวสักกะจอมเทพพร้อมด้วยอมาตะพร้อมด้วยบริษัทธขอถวายอภิวาสพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียรกล้าว เมื่อข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้นางตอบข้าพระองค์ว่าท่านภูณิรทุกเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะเป้าพระผู้มีพระภาคพระองค์ท่านทรงเหล็กเร้นเพียงลาพังข้าพระองค์จึงสั่งว่าน้องหญิงถ้าอย่างนั้นคราวที่พระผู้มีพระภาคทรงออกจากสมาธิเธอจงถวายอภิวาทพระองค์ตามคําของเรานางได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคหรือไม่ พระองค์ทรงระลึกถึงคำของนางได้อยู่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเธอไหว้เราแล้วเราระลึกถึงคำของเธอได้และเราออกจากสมาธิเพราะเสียงล้อรถของพระองค์ท้าวสักกะจอมเทพกราบทูลว่าข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะหน้าพวกเทพผู้เกิดในหมู่เทพชั้นดาวดึงก่อนกว่าพวกข้าพระองค์ว่า คราวที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกหมู่เทพเจริญเต็มที่หมู่อสูรเสื่อมถอยลงข้อนี้ข้าพระองค์ได้เห็นประจักษ์แล้วดังนั้นข้อนี้หมายถึงจะมีคนทำดีมากขึ้นเพราะได้ฟังและทำตามคำสั่งสอนตายแล้วจึงไปเกิดเป็นเทพมากขึ้นไปเกิดในอบายภูมิหรือทุกติน้อยลง เรื่องโคปกะเทพบุตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในกรุงกระบิลพัดนี้ได้มีศักยญิดานามว่าโคปิกาผู้เลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้รักษาศีลห้าให้บริบูรณ์ในความรู้สึกเป็นหญิงอบรมความรู้สึกเป็นชายข้อนี้หมายถึงอาการที่ไม่ได้เกิดจากภาวะผิดปกติด้านความรู้สึก แต่เกิดจากความปรารถนาจะบำเพ็ญบารมีให้สูงขึ้นเนื่องจากเพศ ห, ห, ห, หญิงไม่อาจบรรลุปัจจยกโพธิญาณและสัมมาสัมโพธิญาณได้หรือหมายถึงเพศหญิงไม่อาจบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้นั่นเองหลังจากนางตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ได้อยู่ร่วมกับพวกเทพชั้นเดวดึงได้เป็นบุตรของข้าพระองค์ในที่นั้น พวกเทพรู้จักเธออย่างนี้ว่าโคปกะเท พ, พบุตรภิกษุอื่นอีกสามรูปประพฤติปรมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคไปเกิดในหมู่คนทันซึ่งเป็นชั้นต่ำพวกคนทันนั้นเ อ, อิบอิ่มพร่างพร้อมได้รับการบำเรออยู่ด้วยการมาคุณห้ามาสู่ที่บำรุงบำเรอของข้าพระองค์โคปกะเท พ, พบุตร กล่าวเตือนพวกคนทันผู้มาอย่างที่บำา u ุงบํบำเรอของข้าพระองค์ว่าท่านผู้นีระทุกทั้งหลายพวกท่านหันหน้าไปทางไหนทั้งที่ได้ฟังพระธรรมของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแล้วข้อนี้หมายถึงใจลอยหรือนอนหลับในขณะที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเฉพาะหน้าเราเป็นหญิงเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รักษาศีลให้บริบูรณ์ หลังตายแล้วจึงได้มาเกิดเป็นบุตรของเท้าสักกะจอมเทพส่วนพวกท่านประพฤติปรมาจา ร, รย์ในพระผู้มีพระภาคคือบวชเป็นภิกษุมาเกิดในหมู่คนทันซึ่งเป็นเทพชั้นต่ำพวกเราได้เห็นผู้ร่วมประพฤติธรรมที่มาเกิดในหมู่คนทันซึ่งเป็นชั้นต่ำนับว่าได้เห็นรูปที่ไม่น่าดูเลยเมื่อพวกคนทันสามตนถูกโคประกะเทพบุตรตักเตือน คนทันสององค์กลับได้สติในปัจจุบันทันทีแล้วไปเกิดในรภมโลกชั้นพรมปุโรหิตาส่วนคนทันซึ่งเป็นเทกอิทองหนึ่งยังคงอยู่ในกามะพบโคปะกะเทพบุตรกล่าวว่าเรามีนามว่าโคปิกาเป็นอุบาสิกาของพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักสุเราเลื่อมใสอย่างยิ่งในพระพุทธพระธรรม และมีจิตเลื่อมใสบำรุงพระสงฆ์เพราะความดีของพระธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทีเดียวเราได้เป็นบุตรของเท้าสักกะมีอนุภาพมากมีความรุ่งเรืองมากมาเกิดในเทวโลกชั้นดาวดึงแม้ในที่นี้พวกเทพรู้จักรเราว่าโคปกะเทพบุตรเราได้มาเห็นพวกภิกษุขผู้เป็นสาวกของพระโคดมผู้เกิดอยู่ในหมู่คนทัน ซึ่งเราเคยเห็นมาแล้วเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ยังได้เคยปรนนิบัติเท้าเช่นล้างเท้านวดเท้าในเรือนของตนและอุปถากด้วยข้าวและน้ำท่านหล่อนี้หันหน้าไปทางไหนจึงไม่ได้รับพระธรรมของพระพุทธเจ้าพระธรรมที่วินยู่ชนพึงรู้เฉพาะตนที่พระพุทธเจ้าผู้มีพระจักสุตรสรู้แล้วทรงแสดงไว้ดีแล้ว แม้เราก็เข้าไปหาพวกท่านได้ฟังสุภาษิตของพระอริยเจ้าได้เป็นบุตรของเท้าศักกะมีอนุภาพมากมีความรุ่งเรืองมากมาเกิดในเทวโลกชั้นดาวดึงส่วนพวกท่านเข้าไปนั่งใกล้พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐระพฤติปรมอาจา ร, รในพระพุทธเจ้าผู้ยอดเยี่ยมแต่กลับมาเกิดในหมู่เทพชั้นต่ำการเกิดของพวกท่านไม่สมควร เราได้ไม่เห็นผู้ร่วมประพฤติ ธ, ธรรมมาเกิดในหมู่เทพชั้นต่ำนับว่าได้เห็นรูปที่ไม่น่าดูเลยพวกท่านมาเกิดในหมู่คนทันยังต้องมาสู่ที่บำรุงบำเรอของพวกเทพขอให้ท่านจงดูความวิเศษอันนี้ของเราผู้อยู่ครองเรือนเถิดเราเป็นหญิงแต่วันนี้เป็นเท พ, พบุตรุผู้พรั่งพร้อมด้วยการมาคุณอันเป็นทิพย์ คนทันพวกนั้นพร้อมกันมาพบโครประกาศเทพบุตรถูกเทพบุตรผู้เป็นสาวกของพระโคโดมตักเตือนแล้วจึงเกิดความสังเวทว่าเอาเถอะพวกเราจะเพียรพยายามอย่าได้เป็นคนรับใช้ของผู้อื่นอีกเลยบรรดาคนทันเหล่านั้นคนทันสองตนระลึกถึงคําสอนของพระโคโดมได้จึงได้เริ่มตั้งความเพียรใ น, นความคิดในพบนี้ เห็นโทษในกามตัดกามสังโยชน์และกามพันทะอันเป็นโยคะที่ละได้ยากของมารผู้มีบาปก้าวล่วงเหล่าเทพชั้นดาวดึงเพราะตัดกามคุณอันมีอยู่เสียได้ประดุดช้างตัดดวงบาทได้เทพทั้งหมดพร้อมทั้งพระอิน์และพระประชาบดีเข้าไปนั่งประชุมกันในสุธรรมมาเทวสภาซึ่งล้วนแต่เป็นผู้กล้า ปราศจากราคะกำลังบำเพ็ญธรรมที่ปราศจากความกำหนัดในที่นี้หมายถึงอนาคามิมักได้ก้าวล่วงเทพพวกนั้นที่นั่งอยู่ท้าวาสวะผู้เป็นใหญ่กว่าเทพทอดพระเนธเทพเหล่านั้นท่ามกลางหมู่เทพแล้วทรงสังเวทว่าเทพเหล่านั้นมาเกิดในหมู่เทพชั้นต่ำกว่าเวลานี้กลับก้าวล่วงพวกเทพชั้นดาวดึงได้ โคปะกะเทพบุตรนั้นพิจารณาถ้อยคำของเท้าสักกะผู้ทรงเกิดความสังเวชแล้วกราบทูลเท้าวาสวะวา่ามีพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นจอมคนอยู่ในมนุษยะโลกทรงครอบงำกามเสียได้พระนามว่าพระสักยะยมุนีเทพพวกนั้นเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้เสื่อมจากสติในที่นี้ได้แก่ฌาน ถูกฆ่าพระองค์ตักเตือนแล้วจึงกลับได้สติบรรดาท่านทั้งสามเหล่านั้นผู้หนึ่งคงเกิดในหมู่คนทันอยู่ในพบนี้อีกสองท่านดำเนินตามทางสัมโพธิหมายถึงอนาคามีมักเพราะเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นย่อมเย้ยเทวโลกได้เย้ยเทวโลกหมายถึงคนทันสองตนพอได้อุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิแล้วก็ทำให้เป็นเหตุเพื่อให้บรรลุสัมโพธิแล้วจักไม่เวียนกลับมาในคบภูมิที่ต่ำอีกต่อไปเท้าสัจกะตรัสเล่าเรื่องโคปะกะเทพบุตรแล้วจึงตรัสกับพระผู้มีพระภาคต่อว่าการประกาศธรรมในศาสนานี้เป็นเช่นนี้ไม่มีพระสาวกรูปไหนจะสงสัยอะไร ในการประกาศธรรมนั้นเลยพวกข้าพระองค์ขอนอบน้อมพระชินพะพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นจอมคนทรงข้ามโอกคได้ทรงตัดความสงสัยได้แล้วบรรดาคนทันสามตนนั้นสองตนรู้ธรรมอันใดของพระองค์แล้วถึงความเป็นผู้วิเศษไปเกิดในหมู่พรมชั้นพรมปุโรหิตาบรรลุคุณนวิเศษแล้วท่านผู้นิรทุก ขอประทานวโรกาศถึงพวกข้าพระองค์ก็มาเพื่อบรรลุธรรมนั้นหากพระผู้มีพระภาคทรงประทานวโรกาศก็จะขอทูลถามปัญหาลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงพระดำริว่าเท้าสักกะทรงเป็นผู้บริสุทธิ์มาช้านานจะตรัสถามปัญหากับเราก็จะตรัสถามทุกอย่างที่ประกอบด้วยประโยชน์ จะไม่ตรัสถามปัญหาที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และเท้าเธอจะทรงเข้าใจที่เราตอบได้ฉับพลันเทียวจากนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับเท้าสักกาจอมเทพเป็นพระคถ า, าว่าวาสวะพระองค์ทรงปรารถนาสิ่งใดไว้ในพระทยัยก็โปรด ถ, ถามปัญหานั้นกับอาตมาเถิดอาตมาภาพจะแก้ปัญหานั้นให้ถึงที่สุดแด่พระองค์ เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงประทานพระวะโรกาสแล้วท้าวสัต ก, กะจอมเทพได้ทูลถามปัญหาข้อที่หนึ่งนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรุกุกพวกเทพมนุษย์อสูรนาคคนทันและสัตว์เหล่าอื่นอีกจำนวนมากต่านก็มีความปรารถนาอย่างนี้ว่าขอพวกเราจงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่ถูกลงโทษจงเป็นผู้ไม่มีศัตรู จงเป็นผู้ไม่ถูกเบียดเบียนจงเป็นผู้ไม่จองเวรกันอยู่เถิดแต่เพราะมีอะไรเป็นเครื่องผูกมัดเล่าพวกเขาจึงยังคงมีเวรถูกลงโทษมีศัตรูถูกเบียดเบียนยังจองเวรกันอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเพราะมีอิจศาคือความริษยาและมัฉริยะคือความจรร니เป็นเครื่องผูกมัด พวกเขาจึงยังคงมีเวรถูกลงโทษมีศัตรูถูกเบียดเบียนจองเวรกันอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้นิรุตุกอิสาและมัจริยะมีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเมื่อมีอะไรจึงมีอิสาและมัจริยะเมื่อไม่มีอะไรจึงไม่มีอิสาและมัจริยะ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอิสาและมัชริยะมีอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักเป็นต้นเหตุเป็นเหตุเกิดเป็นกำเนิดเป็นแดนเกิดเมื่อมีอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักจึงมีอิสาและมัชริยะคือมีความริษยาและความตรณีเมื่อไม่มีอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักจึงไม่มีอิสาคือริษยา ละมาเชริยะคือความตรณีเท้าเธอทูลถามต่อไปตามลำดับว่าเพราะสิ่งนี้เกิดมีอะไรเป็นต้นเหตุเป็นเหตุเกิดเมื่อมีและไม่มีอะไรจึงมีสิ่งเหล่านี้เกิดและไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบตามลำดับดังนี้ว่าอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักมีชันทะเป็นต้นเหตุ เป็นเหตุเกิดชันทะแปลว่าความพอใจแต่ในที่นี้หมายถึงความไม่รู้จักอิ่มคือตัณหามี5อย่างคือ 1. ปบริเยสนะชันทะความไม่อิ่มในการสแสวงหา 2. ปติลาภะชันทะความไม่อิ่มในการได้มา 3. ปบริโพคะชันทะความไม่อิ่มในการใช้สอย 4. สันนิธิฉันทะความไม่อิ่มในการกักตุน 5. าวิสัชนาฉ the ันทะความไม่อิ่มในการจ่ายทรัพเมื่อมีฉันทะคือความไม่รู้จักอิ่มคือตัณหาจึงมีอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักเมื่อไม่มีฉันทะความไม่รู้จักอิ่มคือตัณหาจึงไม่มีอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รัก ชันทะคือความไม่รู้จักอิ่มนั้นมีวิตกเป็นต้นเหตุมีวิตกเป็นเหตุเกิดวิตกแปลว่าการตรึกการไตรตรองในที่นี้หมายถึงการตรึกเพื่อการตัดสินสองอย่างคือ 1. ตัญหาวินิจฉัยการตัดสินด้วยอำนาจตัญหา 2. ทิฏฐิวินิจฉัยการตัดสินด้วยอำนาจทิฏฐิเมื่อมีวิตก จึงมีฉันทะความไม่รู้จักอิ่มเมื่อไม่มีวิตกจึงไม่มีฉันทะความไม่รู้จักอิ่มวิตกมีแง่ต่างแห่งปัปปันจะสัญญาเป็นต้นเหตุเป็นเหตุเกิดเมื่อมีแง่ต่างแห่งปัปปันจะสัญญาจึงมีวิตกเมื่อไม่มีแง่ต่างแห่งปัปปันจะสัญญาจึงไม่มีวิตกแง่ต่างแห่งปัปปันจะสัญญา แยกอธิบายตามศัพ์ได้ดังนี้แง่ต่างคือส่วนต่างๆปัปปัญจะหมายถึงปัปปัญจะธรรมซึ่งแปลว่าธรรมะเครื่องเนื่อนช้าได้แก่ตัณหาวิจริต108มานะ9และทิฏฐิ62ซึ่งเป็นเหตุให้มีความประมาทมัวเมามีความประมาทมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวในความไม่มีโรคและในชีวิต ปปัญจะสัญญาหมายถึงสัญญาความกำหนดหมายที่ประกอบด้วยปปัญจธรรมคือตัญหามานะและทิฏฐิแต่ในที่นี้หมายเอาเพียงตัญหาเท่านั้นดังนั้นคําว่าแห่ต่างแห่งปปัญจะสัญญาจึงหมายถึงการคิดปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆด้วยอำนาจตัญหามานะและทิฏฐิของตนจึงเกิดแห่ต่างๆ หรือมุมมองที่แตกต่างกันทั้งทั้งที่คิดเรื่องเดียวกันเรื่องเวทนากรรมฐานเท้าเธอทูลถามว่าถ้าแต่ระองค์ผู้นิรทุกภิกษุปฏิบัติอย่างไรจึงจะชื่อว่าปฏิบัติตามข้อปฏิบัติอันสมควรและดำเนินไปสู่ความดับแง่ต่างแห่งปะปันจัดสัญญา พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าจอมเทพเรากล่าวโสมนัสโทมนัสและกล่าวอุเบกขาไว้ข้อละสองอย่างคือที่ควรเสพและไม่ควรเสพจอมเทพเรากล่าวโสมนัสไว้สองอย่างคือโสมนัสที่ควรเสพและโสมนัสที่ไม่ควรเสพบรรดาโสมนัสสองอย่างนั้นโสมนัสใดบุคคลรู้ว่า เมื่อเราเสพโสมนัสนี้แห ล, ละกุศลลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นกุศลลธรรมทั้งหลายเสื่อมลงโสมนัสเช่นนี้เป็นโสมนัสที่ไม่ควรเสพโสมนัสที่ไม่ควรเสพหมายถึงโสมนัสที่อาศัยกามาคุณเป็นไปทางทวานหกบันดาโสมนัสสองอย่างนั้นโสมนัสใดบุคคลรู้ว่าเมื่อเราเสพโสมนัสนี้แหล กุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลงกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นโสมนัสเช่นนี้เป็นโสมนัสที่ควรเสพโสมนัสที่ควรเสพหมายถึงโสมนัสที่เกิดขึ้นด้วยอํานาจเนคขมะวิปัสนาอนุสติและปฐมฌานเป็นต้นในโสมนัสนั้นหมายถึงโสมนัสที่อาศัยเนคขมะ โสมนัสใดมีวิตกมีวิจารในที่นี้หมายถึงโสมนัสที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจทุติยะชาญและตะติยะชาญและโสมนัสใดไม่มีวิตกไม่มีวิจารบรรดาโสมนัสสองอย่างนั้นโสมนัสที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารปราณีตกว่าโสมนัสที่ควรเสพและโสมนัสที่ไม่ควรเสพเพราะอาศัยเหตุนี้ เรากล่าวโทมนนท์ไว้สองอย่างคือโทมนท์ที่ควรเสพและโทมนทที่ไม่ควรเสพบรรดาโทมนทสองอย่างนั้นโ <arithmetic> ทมนทใดบุคคลรู้ว <im musical ically> ่าเมื่อเราเสพโทมนทนี้แลอกุศลลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลงโทมนท์เช่นนี้เป็นโทมนทที่ไม่ควรเสพบรรดาโทมนทสองอย่างนี้ โทมนัสใดบุคคลรู้ว่าเมื่อเราเสพโทมนัสนี้แลอากุศลลธรรมทั้งหลายเสื่อมลงกุศลละธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นโทมนัสเช่นนี้เป็นโทมนัสที่ควรเสพในโทมนัสนั้นโทมนัสใดมีวิตกมีวิจารณ์หมายถึงโทมนัสที่เกิดขึ้นด้วยอํ า, านาจปฐมฌานและทุติยฌานและโทมนัสใด ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ในที่นี้หมายถึงโทมนัตที่เกิดข ja ึ้นโดยตรงบรรดาโทมนัสองอย่างนั้นโทมนัตที่ไม่มีวิตตกไม่มีวิจารณปราณีกว่าโทมนัตที่ควรเสพและโทมนัตที่ไม่ควรเสพเพราะอาศัยเหตุนี้เรากล่าวอุเบกขาไว้สองอย่างคืออุเบกขาที่ควรเสพและอุเบกขาที่ไม่ควรเสพ บรรดาอุเบกขาสองอย่างนั้นอุเบกขาใดบุคคลรู้ว่าเมื่อเราเสภอุเบกขานี้แลอกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลงอุเบกขาเช่นนี้เป็นอุเบกขาที่ไม่ควรเสภบรรดาอุเบกขาสองอย่างนั้นอุเบกขาใดบุคคลรู้ว่าเมื่อเราเสภอุเบกขานี้แลอกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลง บุสนละธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นอุเบกขาเช่นนี้เป็นอุเบกขาที่กวรเสพในอุเบกขานั้นอุเบกขาใดมีวิตกมีวิจารในที่นี้หมายถึงอุเบกขาที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจของปฐมฌานและอุเบกขาใดไม่มีวิตกไม่มีวิจารในที่นี้หมายถึงอุเบกขาที่เกิดขึ้นด้วยอานาจทุติยฌาน และตาติยชาญเป็นต้นบรรดาอุเบขาสองอย่างนั้นอุเบขาที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารปราณีตกว่าอุเบขาที่ควรเสพและอุเบขาที่ไม่ควรเสพเพราะอาศัยเหตุนี้จอมเทพภิกษุ ป, ปฏิบัติอย่างนี้แหละจึงจะชื่อว่าปฏิบัติตามข้อปฏิบัติอันสมควร และดำเนินไปนสู่ความดับแง่ต่างแห่งปะปัญจัดสัญญาท้าสักกะจอมเทพทรงชื่นชมอนุโมทนาพระภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วได้ทูลถามปัญหาให้ยิ่งขึ้นไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุก์ภิกษุปฏิบัติอย่างไรจึงจะชื่อว่าปฏิบัติเพื่อสํารวมในปาติโมก พ, พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า จอมเทพเรากล่าวกายสมาจาร์ความประพฤติทางกายวาจีสมาจาร์ความประพฤติทางวาจารปริยสนาการสแสวงหาไว้ข้อละสองอย่างคือที่ควรเสพและที่ไม่ควรเสพบุคคลรู้ว่าเมื่อเราเสพกายสมาจารน์นี้เมื่อเราเสพวจีสมาจารน์นี้เมื่อเราเสพปริเยสนานี้ อกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลงเป็นสิ่งที่ไม่ควรเสพเมื่อเราเสพแล้วอกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลงกุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นนี้เป็นสิ่งที่ควรเสพอินท ร, ย ร, รออนียสังวรหรืออินสียสังวรการสำรวมอินรีท้าวสักกะจอมเทพ ทรงชื่นชมอนุโมทนาพระภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคได้ทูลถามปัญหาให้ยิ่งขึ้นไปว่าถ้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ภิกษุปฏิบัติอย่างไรจึงจะชื่อว่าปฏิบัติเพื่อสํารวมอินทรีย์พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าจอมเทพเรากล่าวรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาสองอย่างคือรูปที่ควรเสพและรูปที่ไม่ควรเสพ คำว่าเสพมีความหมายตามบริบทเช่นเสพรูปหมายถึงเห็นรูปเสเสียงหมายถึงฟังเสียงเสเพกลิ่นหมายถึงดมกลิ่นเสพรสหมายถึงลิ้มรสเสโพโหทพะหมายถึงถูกต้องโหทพะเสพธรรมารมหมายถึงนึกถึงธรรมารมต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสต่อว่า เรากล่าวถึงเสียงกลิ่นรสผลทพะธรรมารมที่พึงรู้แจ้งทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไว้อย่างละสองอย่างคือที่ควรเสพและที่ไม่ควรเสพเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ท้าวสักกะจอมเทพได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญ าพระองค์ย่อมรู้ชัดเนื้อความแห่งพระภาสิตที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อนี้ได้โดยพิสดารอย่างนี้ว่าเมื่อบุคคลเสบรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาเช่นใดอากุศลธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลงรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาเช่นนี้เป็นรูปที่ไม่ควรเสพเมื่อบุคคลเสพรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาเช่นใดอกุศลธรรมทั้งหลายเสื่อมลง กุศลละธรรมทั้งหลายเจริญยิ่งขึ้นรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาเช่นนี้เป็นรูปที่ควรเสพและตรัสเกี่ยวกับการรู้แจ้งทางหูจมูกลิ้นกายใจไว้เช่นเดียวกันนั้นท้าสักกะจอมเทพชื่นชมอนุโมทนาพระพาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วได้ทูลถามปัญหาให้ยิ่งขึ้นไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรุุก สมณพราหมณ์ทั้งหมดมีวาทะคือหลักการอย่างเดียวกันมีศีลคือข้อปฏิบัติอย่างเดียวกันมีฉันทะคือลัทธิอย่างเดียวกันมีอัชโชสาณนะคือจุดหมายหมายถึงมีที่สุดอย่างเดียวกันหรือหนอพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าจอมเทพสมณพราหมณ์ทั้งหมดไม่มีวาทะอย่างเดียวกันไม่มีศีลอย่างเดียวกัน ไม่มีชันท่าอย่างเดียวกันไม่มีอัชโชสานะอย่างเดียวกันจอมเทพโลกมีทาตหลากหลายมีทาตต่างกันข้อนี้หมายถึงมีอัธยาศัยคือนิสัยใจคอความนิยมต่างกันในโลกที่มีทาาหลากหลายมีทาตต่างกันนั้นเราสัตยุดมั่นท่าใดๆอยู่ก็ย่อมยึดมั่นท่านั้นๆ ด้วยเรียวแรงและความยึดมั่นอยู่ว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเพราะเหตุนี้สมณพราหมณ์ทั้งหมดจึงไม่มีวาทะอย่างเดียวกันไม่มีศีลอย่างเดียวกันไม่มีฉันทะอย่างเดียวกันไม่มีอัจโชสานะอย่างเดียวกันเท้าเธอทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกสมณพราหมณ์ทั้งหมดมีความสาเร็จสูงสุด ในที่นี้หมายถึงพ้นความพินาตคือกิเลสมีความเกษมจากโยคะสูงสุดในที่นี้หมายถึงพระนิพพานระพฤษพรหมจันทร์ถึงที่สุดมีที่สุดในที่นี้หมายถึงอริยมรรคอันสูงสุดหรือหนอในที่นี้หมายถึงพระนิพพานพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดกับสมณพราหมณ์ทั้งหมดเพราะภิกษุทั้งหลาย จะหลุดพ้นพระสิ้นตัญหาเท่านั้นจึงจะมีความสําเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเพราะเหตุนั้นสมณะพราหมณ์ทั้งหมดจึงไม่มีสิ่งเหล่านี้ท้าวส ก, กะจอมเทศทรงชื่นชมอนุโมทนาพระภาสิทิของพระผู้มีพระภาค แล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าความวันไหวเป็นโรคความวันไหวเป็นหัวฝีความวัน ไ, วนววนไวนห ว, ว, ว, นไวเป็นลูกศรความวันไหวชุดคร่าบุรุษนี้ไปเพื่อบังเกิดในภพนั้นๆัฉะนั้นบุรุษนี้จึงถึงฐานะสูงบ้างต่ำบ้างในที่นี้หมายถึงภพภูมิต่างๆเช่นพรมโลกสูงกว่าเทวโลกเทวโลกสูงกว่ามนุษยยะโลก และมนุษย์โลกสูงกว่าอบายภูมิเท้าสักกะทูลตอบพระผู้มีพระภาคว่าทรงถามปัญหาเหล่านี้กับสมณพราหมณ์เหล่าอื่นมาก่อนแต่ก็ไม่ได้คําตอบแต่มาเข้าใจกระจางแจ้งไม่ได้ฟังคําตอบจากพระผู้มีพระภาคและทรงตรัสทูลตอบพระผู้มีพระภาคว่าข้าพระองค์เข้าไปหาสมณพราหมณ์ที่เข้าใจว่าเป็นผู้อยู่ป่า อยู่ในเสนาสนะอันสงัดแล้วถามปัญหาเหล่านี้ท่านเหล่านั้นเมื่อถูกถามก็ตอบไม่ได้กลับย้อนถามข้าพระองค์ว่าท่านชื่ออะไรเมื่อถูกย้อนถามข้าพระองค์จึงตอบว่าเราชื่อท้าวสักกะจอมเทพท่านเหล่านั้นก็ยังถามต่อไปอีกว่าท่านทำกรรมอะไรจึงถึงฐานะอันนี้เล่าข้าพระองค์จึงแสดงธรรมตามที่ได้ฟังที่ได้เรียนมา ธรรมหรือธรรมะในที่นี้หมายถึงวัตถบทได้แก่ข้อที่ถือปฏิบัติประจำที่ทำให้มคะมานกได้เป็นเท้าสักกะจอมเทพมีเจ็ดอย่างคือ 1. เลี้ยงบิดามารดา 2. เคารพผู้ใหญ่ในตระกูล 3. พูดคำสุภาพอ่อนหวาน 4. ไม่พูดสอเสียดพูดสมานสามัคคี 5. ยินดีในการแจกทาน ปราศจากความตรณีหมีวาจาสัตว์เจไม่โกรธระ ง, งับความโกรธได้สมณพราหมณ์เหล่านั้นมีใจยินดีด้วยเหตุเพียงเท่านี้ว่าพวกเราได้เห็นเท้าสักกะจอมเทพและเท้าเธอได้ตรัสตอบปัญหาที่พวกเราถามท่านเหล่านั้นยอมเป็นสาวกของข้าพระองค์ส่วนข้าพระองค์ ไม่ยอมเป็นสาวกของท่านเหล่านั้นแต่บัดนี้ข้าพระองค์เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นพระโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าจอมเทพพระองค์ยังทรงจำการได้ความยินดีการได้โสมนัสเช่นนี้ก่อนแต่นี้ได้หรือไม่ เท้าเธอทูลตอบว่าข้าพระองค์ยังจำได้พระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพระองค์ยังทรงจำได้ว่าอย่างไรเท้าเธอกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์พูดเจริญเรื่องเคยมีมาแล้วเมื่อครั้งเกิดสงครามระหว่างเทพกับอสูรถึงขั้นรบประชิดในสงครามนั้นพวกเทพชนะพวกอสูรพ่ายแพ้เมื่อข้าพระองค์ชนะสงคราม จึงมีความคิดว่าบัดนี้พวกเทพในเทวโลกจะบริโภคโอชาคือรสสองประการได้แก่ทิพยโอชาและอสุรโอชาการได้ความยินดีการได้สมนัตของข้าพระองค์นั้นเป็นทางมาแห่งทันทาวุธเป็นทางมาแห่งสัตราวุธไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่ง เพื่อตรัสรู้ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานส่วนการได้ความยินดีการได้โสมนัสของข้าพระองค์เพราะได้ฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคนั้นไม่เป็นทางมาแห่งตันทาวุธไม่เป็นทางมาแห่งสัตราวุธเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายด้วยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพาน พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าจอมเทพพระองค์ทรงพิจารณาเห็นอนํานาจประโยชน์อะไรหมายถึงเหตุอะไรจึงทรงประกาศการได้ความยินดีการได้สมณัตเช่นนี้เท้าเธอกราบทูลว่าข้าพระองค์พิจารณาเห็นอนํานาจประโยชน์หประการประการที่หนึ่งเมื่อข้าพระองค์เกิดเป็นเทพเมื่อได้มาดํารงอยู่ในถ้ำอินทาศาระนี้ ข้าพระองค์กลับได้อายุเพิ่มขึ้นอีกประการที่สองเมื่อข้าพระองค์จุติจาัด ก, กายทิพย์และอายุของมนุษย์เป็นผู้ไม่หลงจะเข้าสู่คันในตระกูลที่ข้าพระองค์มีใจยินดีประการที่สมเมื่อข้าพระองค์นั้นยินดีในศาสนาของพระผู้มีพระาพาภผู้มีปัญญาไม่ลุ่มหลงข้าพระองค์มีสัมปชัญญะมีสติอยู่โดยชอบธรรม หมายถึงโดยสมควรแก่ความเป็นพระอริยสาวกประการที่สเมื่อข้าพระองค์ประพฤติโดยชอบธรรมก็จกมีสัมโพธิหมายถึงสกัทาคามิมักข้าพระองค์จะรู้ทั่วถึงอยู่หมายถึงปรารถนาจะบรรลุคุณวิเศษที่ยังไม่บรรลุนั่นแหละจะเป็นที่สุดของข้าพระองค์หมายถึงไม่มีการเกิดในมนุษย์โลกอีกต่อไป ประการที่หเมื่อข้าพระองค์จุติจากกายมนุษย์และอายุของมนุษย์แล้วจะเกิดเป็นเทพอีกข้าพระองค์จะเป็นผู้สูงสุดในเทวโลกประการที่6เทพเหล่านั้นชั้นอากาศนิทภพบเป็นผู้ประณีต ก, กว่าเป็นผู้มียศในภ พ, พสุดท้ายที่ดำเนินไปอยู่อากาศนิทะพบนั้นจะเป็นที่อยู่ของข้าพระองค์ อาการนิทะภพคือรูปประภพชั้นสุดทาวาสเป็นชั้นสูงสุดผู้สำเร็จเป็นพระอนาคามีแล้วจะได้เกิดในสวรรค์ชั้นสุดทาวาสพบได้พบหนึ่งแล้วจะเกิดเลื่อนต่อขึ้นไปจนถึงอาการนิทะภพแล้วจึงเปรยินิพานข้าพระองค์พิจารณาเห็นอำนาจประโยชน์6ประการ น, นี้แลจึงประกาศการได้ความยินดีการได้โสมนัสเช่นนี้ ข้าพระองค์มีความดำริยังไม่ถึงที่สุดมีความสงสัยเคลือบแคลงเที่ยวแสวงหาพระตถาคตอยู่สิ้นกาลนานข้าพระองค์เข้าไปหาสมณะที่เข้าใจว่าเป็นผู้อยู่เงียบสงบสําคัญว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นเมื่อถูกถามว่าความสําเร็จเป็นอย่างไรความไม่สําเร็จเป็นอย่างไรก็ไม่สามารถตอบในเรื่องมรรคและปฏิปทาได้เมื่อท่านเหล่านั้นรู้ว่า ข้าพระองค์เป็นเท้าสักกะมาจากเทวโลกก็พากันถามข้าพระองค์ว่าท่านทำกรรมอะไรจึงถึงฐานะนี้เล่าข้าพระองค์จึงแสดงธรรมแก่ท่านเหล่านั้นตามที่ได้ฟังมาในหมู่ชนท่านเหล่านั้นมีใจยินดีด้วยเหตุเพียงเท่านั้นว่าพวกเราได้เห็นเท้าวาสวะแล้วหมายเหตุเป็นข้อให้สังเกตนะครับว่าเทพและบุคคลหลายท่าน จะมีชื่อหลายชื่อแม้พระพุทธองค์เองก็ทรงถูกเรียกหลายชื่อเช่นกันเมื่อข้าพระองค์นั้นได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ข้ามความสงสัยแล้วข้าพระองค์นั้นหมดความหวาดกลัวในวันนี้ได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วข้าพระองค์ขอถวายอภิวาสพระพุทธเจ้าผู้ทรงกาจัดลูกศรคือตัณหาได้ ไม่มีบุคคลเปรียบเทียบได้ทรงเป็นพระมหาวีระทรงเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นเผ่าพันธ์แห่งพระอาทิตย์ข้าแต่พระองค์ผู้นิรุกข์ข้าพระองค์กับพวกเทพกระทำความนอบน้อมอันใดแก่พระพรหมตั้งแต่วันนี้ไปข้าพระองค์จับถวายความนอบน้อมอันนั้นแด่พระองค์ขอพระวโรกาสทำการนอบน้อมแด่พระองค์พระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่ตรัสรู้ ทรงเป็นพระศาสดาที่ยอดเยี่ยมไม่มีบุคคลใดทั้งในโลกและเทวโลกมาเปรียบเทียบกับพระองค์ได้ลำดับนั้นท้าวสักกะจอมเทพรับสั่งเรียกบัญจาศิขะคันตันพบุตรมาตรัสว่าพ่อบัญจาศิขะเธอมีคุณมากแก่เราที่ทำให้พระผู้มีพระภาคทรงพอพระทัยก่อนเธอทาให้พระองค์ทรงพอพระทัยก่อนแล้ว ภายหลังพวกเราจึงได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะตั้งเธอไว้ในตำแหน่งของบิดาเธอจะเป็นเจ้าแห่งคนทันเราจะยกนางพัฒนาสุริยวัชสาให้เธอเพราะว่านางเป็นผู้ที่เธอปรารถนาอย่างยิ่งลำดับนั้นท้าวสักกะจอมเทพทรงใช้พระหัตตบัตตพีทรงเปล่งอุทานสามครั้งว่า ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเวยยกรณภาสิทินี้แล้วธรรมจักสุอันปราศจากทุลีคือกิเลสปราศจากทินเกิดขึ้นแก่เท้าสักกะจอมเทพและแก่เทวดาอื่นอีก8ปดหมื่นองว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาพระผู้มีพระภาคตรัสตอบปัญหาที่เท้าสักกะจอมเทพอัญเชิญมาทูลถามแล้วด้วยประการชนนี้เพราะฉะนั้นวยยกรณภาสิทนี้จึงมีชื่อว่าสักกะปัญหาจบสักกะปัญหาสูตร